ดีๆไว้น้อยเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้านมาถึงพวกเราอีกคนทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วฮอปมันตายไปแล้วก็จริงนั่นมันเป็นเพราะเราไม่มีโอกาสจะช่วยเขาไว้ได้ทันแต่เมียของเขายังพอจะมีโอกาสให้เราช่วยเหลืออยู่บ้างถ้าหล่อนไม่เคราะร้ายจนเกินไปนะักพวกเราไม่มีใครใจดําจนถึงกระถอดทิ้งหล่อนได้หรอกเป็นตายร้ายดียังไงก็ต้องตามกันจนถึงที่สุดแต่มันจะสําเร็จแค่ไหนนะ่ะมันขึ้นอยู่กับโชควาสนาชะตาชีวิตของเมเองด้วย แต่ว่าเราก็รับปากกระฮอบมั่นไว้ก่อนที่เขาจะสิ้นใจใช้ ย, ยันกล่าวเห่าๆ ห, หนักแน่นมาอีกคนโดยหน้าที่ของมนุษยธรรมหลวงได้รู้เห็นเหตุการณ์ตาตาอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่มีทางจะดูดายได้เลยว่าแต่เสียงของอดีตนายทหารปืนใหญ่แหบพร่าไปตามมองไปยังฝั่งตรงข้ามของลำธารเต็มไปได้วยแวววิตตกกริง่งเกรงไม่รู้ป่านานี้หล่อนจะมีชีวิตรอดอยู่อีกหรือเปล่า บางที่อาจถูกฆ่าใช่แล้วก็ได้แต่นั่นแหละเราก็ต้องตามแม้แต่ศกตามไปให้เห็นชัดว่าหลอนยังอยู่หรือตายแล้วดารินอะไรอูทานอะไรออกมาคํหนึ่งในลำคอดูเหมือนจะสิ้นเรียวแรงด้วยความหวาดวันพร่นใจส่วนไปสุดกายลงนั่งบนก้อนหินศพหน้าลงกํามือทั้งสองที่ถือไรเฟิลตั้งยันพื้นอยู่พึพรรมพำอะไรอยู่ในลาคอฟังไม่ได้สับ ผมว่ามันยังไม่ขาในายแหม่มบุญคำผู้ยืนนิ่งเงียบอยู่ตลอดเวลาเอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกบุญคำมีเหตุผลอะไรเหรอที่คิดอย่างนั้นเฉตหาหันขวับไปทันทีก็ทามันจะฆ่ามันก็ฆ่าเสในทันทีที่มันพรวดเข้ามาแล้วล่ะที่นายเขาเหลือมันยังฆ่าซะส่วนนายแหม่มมันฉุดเอาตัวไปนายแหม่มยังต้องมีชีวิตรอดอยู่แน่บุญคำเชื่ออย่างนั้น สีหน้าของคณะนายจ้างปรากฏความหวังเล็กน้อยต่างแลไปทางจอมพรานผู้บัดี้ยืนเป็นใบ้เบื่อคุณคิดยังไงระพินผมก็ไม่กล้าที่จะคิดยังไงได้ในเรื่องนี้หรอกครับแต่เหตุผลของบุญคำก็ดีอยู่เหมือนกันถ้าผมจะคิดอะไรบ้างในขณะนี้ก็คิดอย่างเดียวกับคุณชัยยันนั่นคือเราต้องตามเมยให้ได้แม่จะได้มาเพียงแค่ศุ แววตาอันแห้งผากสิ้นหวังของดารินเริ่มเป็นประกายขึ้นขณะที่มองมายังพรานใหญ่หล่อนพอใจที่จะได้ยินคำกล่าวเช่นนี้ลั่นออกมาจากปากของพรานไพรใจฉกาดผู้เลือดเย็นของหล่อนมันพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระ ก, กรรมอะไรนะักถ้าคุณมีความคิดขัดแย้งกับเราในเรื่องนี้คุณก็ไม่ใช่รัพพินไพรวันหญิงสาวหลุดปากออกมา ถ้างั้นขั้นต่อไปเราจะเอากันยังไงช้ยันถามโพร่งแบบขอความเห็นทุกคนขึ้นอย่างคนใจร้อนทุกคนรู้ว่ารพินไพรวันใช้ความคิดอย่างหนักที่สุดระหว่างที่พรานใหญ่ยังอึ้งหัวหน้าคณะก็ว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันคิดอย่างรอบคอบที่สุดถึงยังไงโอกาสที่เราจะดำเนินการอย่างฉับพลันทันด่วนมันก็ผ่านไปใชแล้วระมัวแต่ถูกล้อม และต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอยู่นานป่านนี้มันต้องเอาตัวเมยไปไกลแล้วละ่ะถึงจะดวนผลนผลันต า, ตามตอนนี้ก็คงไม่มีประโยชน์ในายใหญ่พูดถูกเราตามตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์บุญคำเชื่อว่าโอกาสยังมีรอให้เดือนขึ้นคืนนี้ซะก่อนสิและบุญคำจะนําออกตามเองไม่มีใครเข้าใจความหมายของคำที่ว่ารอให้เดือนขึ้นคืนนี้มันจะมีประโยชน์อันใดขึ้นมาบ้าง สำหรับการติดตามพวกสังเขียวขณะนั้นเองพรานใหญ่ก็มีอาการเหมือนจะคิดอะไรขึ้นมาได้รีบพลุนพลันไปทางขึ้นไปยังด้านบนซึ่งมีพวกรออยู่ก่อนแล้วคณะนายจ้างทั้งสามและบุญคำก็วิ่งตามขึ้นมาด้วยทุกคนได้ยินเขาตะโกนสั่งไปยังพวกพรานพื้นเมืองซึ่งขณะนี้ออกสำรวจศพของสังเขยวที่กลาดกลื่นอยู่ทั่วไปบอกให้พวกนั้นค้นหาเจ้ามนุษย์ผีดิบที่ถูกยิงบาดเจ็บอยู่กับที่ และยังไม่ถึงที่ตายให้นำตัวเข้ามาเหตุการณ์จากคำรายงานปรากฏว่ามีสางเขียวประมาณส5ห้าคนที่ถูกลูกปืนของดารินขาหักนอนร้องครวญครางอยู่ถูกขยินผู้โกรธเกรี้ยวและโหดร้ายดุดันตามนิสัยเดิมจับเชือดคอหอยจนตายหมดไม่เหลือสักคนเดียวจอมพรานสมบท ด, ดาลั่นในการกระทำของขยินทิ้งมือลงอย่างหมดหวัง คุณต้องการไอ้พวกสังขิวที่มันยังเป็นๆอยู่ไปทำไมชายันผามยังสงสัยถ้าเราได้ไอ้ตัวพวกนี้ขณาดที่มันมีชีวิตรอดอยู่สักคนมันจะเป็นเครื่องนำทางให้เราตามไปถึงชมรมถิ่นที่อยู่ของมันได้เขาตอบอย่างหัวเสียอยากจะเตะเจ้านักเลงโตหล่มช้างเขาให้สักพลักขณะที่มันมายืนรายงานหน้าตื่นอยู่ตรงหน้าแล้วขยินก็ถูกถีบเอาจริงๆบุญธรรมนั่นเอง ยัดโครมเข้าให้ที่กระเบนเน็บพร้อมกระดาครมอดีตนายบ้านหลมช้างร้องออกมาคำหนึง่งทำหน้าเลือกหลักไม่เข้าใจความหมายอยู่นั่นเองจากการที่เราเห็นกำลังคนของมันอย่างมากมายเป็นกองทัพเช่นนี้พิสูจน์ได้ว่าพวกมันจะต้องมีถิ่นที่อยู่กันเป็นชมรมทีเดียวมีหัวหน้าใหญ่ปกครองและคอยบงการไม่ใช่แต่กระจายกันเป็นกลุ่มน้อยๆ อ, อย่างพวกตองเหลืองถ้าเราได้เฉลยสักคน มันจะเป็นเรือนนําร่องได้อย่างดีไม่งั้นเราก็ต้องงมแต่ไอ้เจ้าขยินสู่รู้ตัวดีก็เชื่ดอคอมันตายหมดแล้วทั้งที่ผมเห็นคุณหญิงลิงยิงเลี้ยงไว้ตั้งหลายคนเฉถาก็ชัยันเพิ่งเข้าใจหัวหน้าคณะมองไปทางขยินแล้วว่าก็าอย่าไปว่าอะไรมันเลยมันไม่รู้ในแผนของคุณมาก่อนนี่ความที่มันเดือดดานโกรธแค้นมากมันก็เลยฆ่าใช่หมดมันทําไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการแท้ ขยินนะ่ะมันเป็นมือร้ายอยู่ก่อนแล้วความจริงถ้าคุณมีความคิดอย่างนี้ซะก่อนเนินเน่นๆเราก็พอห้ามมันไว้ทันนี่มันสายไปใชแล้วละ่ะกี่คนกี่คนเจ้าขยินก็ควันคอไปหมดทั้งหมดพากันกลับขึ้นมาอย่างที่พักตรงสุขของดรฮอฟมันได้ร่างอันหมดสติของสางปาอีกครั้งต่างพิจารณาดูเคราะห์กรรมของบ่าวนายคู่นั้นด้วยความอ น, นาถสังเวชใจ บุญคำเก็บเสื้อผ้าของฮอฟมันและมาเรียขึ้นมาด้วยผัวตายเมียถูกฆ่าหายไปพรานนำทางบาดเจ็บสาหัสลูกผีลูกคนยังไม่รู้ความวิบัติมันเกิดขึ้นทั้งคณะเลยนี่ถ้าเขาเชื่อรับพินเสียอย่างเดียวเท่านั้นเราก็คงไม่พบเหตุการณ์อันน่าอเนตอนนาจอย่างนี้ชยันพึมพำขึ้นอย่างสลดใจเหนือศพ ข, ของนักธรณีวิทยาเยอรมัน ผู้เอาชีวิตมาทิ้งสักกลางดงมันเป็นคราวเคราะห์ของเขาจริงๆไม่รู้จะช่วยยังไงได้เหมือนกันทั้งๆ ท, ที่เราก็อุตส่าห์มาเตือนและขอให้การช่วยเหลือเขาอยู่แล้วก่อนอื่นใดในขณะนี้หน้าที่ของเขาก็คือช่วยกันจัดการเรื่องศพเขาก่อนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะหวังให้เมียเข้ามาร่วมในพิธีฝังด้วยทุกคนเห็นด้วยกับคาพูดของหัวหน้าคณะผู้ซึ่งไม่เคยเสียบุคลิก ในการเป็นผู้นำของเขาไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆขึ้นเจษฐาก็มีสติดีและตัดสินใจในเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้รัดกุมถูกต้องเสมอมันเป็นยามบ่ายที่ทั้งหมดเผชิญกับปัญหาเคร่งเครียดและต้องทำงานอย่างหนักเพื่อจัดการกระทุกสิ่งทุกอย่างอันจำเป็นให้เสร็จลุล่วงไปตามลำดับความสำคัญก่อนหลังร่างอันไร้วิ ญ, ญญาณของนักสารวจผู้เคราะหร้าย ซึ่งเมื่อไม่ถึงชั่วโมงมานี้ยังพูดคุยอยู่หลัดหลัดด้วยนิสัยเปิดเผยสนุกสนานและเป็นมิตรกับทุกคนของเขาถูกฝังยังบริเวณหนึ่งไม่ห่างจากที่ตั้งแคมป์ออกไปเท่าไหรนักภายใต้ร่มไม้โดดเดี่ยวต้นหนึ่งทุกคนระดมแรงอย่างแข่งกับเวลาพวกพลานพื้นเมืองทำหน้าที่ขุดหลุมซึ่งก็ไม่สามารถจะขุดลงไปได้ลึกนักเพราะดินแข็งปนกรวดหินเนื่องมาจากเป็นบริเวณเชิงเขา แต่ก็พอที่จะใช้ฝังร่างของผู้ตายได้เชิดฐานในฐานะหัวหน้าคณะทั้งหมดประกอบพิธีฝังไปตามแกนทุกคนยืนสงบนิ่งรายล้อมอยู่เหนือปากหลุมศพในขณะที่ร่างปราศจากวิญญาณของดอเตอร์ฮอฟมันทุกย่อนลงไปเชตฐานย่อนก้อนดินลงไปเป็นคนแรกต่อมาชัยยันดารินและระพินเป็นคนสุดท้ายและทั้งสีก็ก้มศีรษะลงคำนับถอยห่างออกมา พวกรานพื้นเมืองจึงโกยดินกลบจนเต็มและช่วยกันขนหินก้อนใหญ่ๆมาวางทับไว้บนปากหลุมป้องกันแม่สัตว์ชนิดใดมาขุดคุ้ยศพขึ้นมาได้จากนั้นก็ตัดไม้ผูกเป็นรูปกางเขนปักไว้เป็นเครื่องหมายงานต่อมาก็คือการช่วยกันลากเอาศพของมนุษย์ผีดิบเผ่าสารเขียวที่ถูกยิงตายอยู่กราดเกลื่อนไม่น้อยกว่า40ส40ี่สิบศพนำไปโยนทิ้งเหว ไม่ห่างออกไปนักเพื่อไม่ให้รบอูจจาตาเพราะถึงยังไงบริเวณที่พักอยู่ในขณะนี้ก็จะต้องเป็นป้อมค่ายปราการหรืออีกในหนึ่งที่มั่นต่อไปโดยยังไม่รู้กาหนดแน่นอนอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องตลอดเวลาการติดตามมาเรียฮอฟมันซึ่งไม่มีสิ่งใดมาบอกได้ว่าเป็นตายรายดีเช่นไรในเงื้อมือสารเขียวขณะนี้กว่าทุกจริงจะเสร็จสับเรียบร้อยลง ตะวันก็บ่ายลงไปเต็มทีอาหารมื้อนั้นถูกยกยอดมากินกันในเวลาเย็นซึ่งคณะนายจ้างทั้งสามกลืนกันอย่างฝืดคอเต็มทนบรรยากาศในแคมป์ของสิบชีวิตเต็มไปด้วยความเครียดขรึมผิดไปกว่าเหตุการณ์ร้ายทุกครั้งที่เคยผ่านกันมาแล้วแน่ละ่ะความคิดวิตกกังวลของทุกคนในขณะนี้พุ่งไปรวมจุดอยู่ที่ชะตากรรมอันยังไม่สามารถคาดคะเนได้ถูกของมาเรียฮอปมัน พัญญาสาวเลือดผสมของนักธรณีวิทยาพูดถึงคาดไปแล้วการที่ยังไม่รู้แน่ว่าหลอนได้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วหรือไม่มันทรมานความรู้สึกของทุกคนเป็นอย่างยิ่งการติดตามค้นหาเพื่อช่วยเหลือไม่ทราบว่าจะได้ผลเพียงใดและต่างก็คิดไม่ออกว่ามันจะเริ่มต้นอย่างไรนอกจากฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กระจอม พ, า ร, พ, พรานระินไพรวันเพียงผู้เดียวเท่านั้น ซึ่งนับตั้งแต่เหตุร้ายได้เกิดขึ้นพรานใหญ่ก็อยู่ในอาการนิ่งขรึมพูดน้อยที่สุดเขายุ่งอยู่กับการสั่งงานตลอดเวลาซึ่งวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ก็คือสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้แก่ไข้พัดเพิ่มขึ้นอีกเตรียมรับเวลากลางคืนที่กำลังย่างใกล้เข้ามาไม่มีใครกล้าเดาความคิดของรพินในขณะนี้ว่ากำลังวางแผนต่อไปเช่นไรถ้ารู้ชัดไปซะเลยว่าเมตายแล้ว มันก็รู้แล้วรู้รอดไปเราก็มีเพียงแต่ความเศร้าสังเวชเท่านั้นไม่ต้องมาเป็นทุกข์กระวนกระวายกันอยู่แบบนี้ชัยยันพึมพำขึ้นพร้อมกระถอนใจเจตาสุบรีเงียบเฉยอย่างใช้สมองเขาเป็นคนเก็บซ่อนความรู้สึกได้ดีกว่าสหายดารินผู้มีอาการไม่ผิดอะไรกับชัยยันบุยปากไปทางพรานใหญ่ซึ่งขณะนั้นกาลังเดินตรวจสายชนวนระเบิดอยู่กับแงาทรายง่วนอยู่ ดูนั่นสิฉันอยากรู้เหลือเกินว่าเขาจะเอาอยัางไงกันแน่นี่ร่วมสามชั่วโมงมาแล้วนะฉันไม่เห็นเขาแสดงไอเดียอะไรขึ้นบ้างเลยเกี่ยวกับเรื่องที่เราเป็นทุกข์กันอยู่นี่คืนช้าลงไปเท่าไหร่โอกาสที่เราจะช่วยชีวิตเม่ก็น้อยลงไปแค่นั้นนี่มันก็มืดลงไปทุกทีแล้วนะใจะเย็นไว้ก่อนสิน้อยเชิดฐานกล่าวขึ้นเบาๆกับ น, น้องสาวและสหายของเขา รพินก็คงจะร้อนใจไม่น้อยไปกว่าพวกเราหรอกเพียงแต่เขาไม่ได้แสดงอะไรออกมาเท่านั้นลำพังพวกเราต่อให้คิดกันให้ตายก็คิดไม่ออกหรอกว่าการติดตามช่วยเหลือเมจะเริ่มต้นขึ้นยังไงอีท่าไหนเราร อ, ร อ, รอฟังเขาดีกว่าคำพูดของเขาทำให้ทั้งสองจำต้องสงบปากคำลงเพราะก็เห็นอยู่ทนโท้ว่ามันไม่มีอะไรจะดีไปกว่านั้นอีกแล้วจริงอยู่ การตัดสินใจสั่งงานเกี่ยวกับแผนการของคณะทั้งหมดขึ้นอยู่กับเชื้าโดยตรงแต่การคืบหน้าแต่ละก้าวตามแผนการนั้นมันอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของพรานนำทางเช่นกันสรางปาได้สติรู้สึกตัวขณะที่พอลุกขึ้นนั่งได้เมื่อเวลาตะวันชิงพลบ ภ, ภายหลังจากที่นอนหมดความรู้สึกไปถึงสามชั่วโมงเต็มพอฟื้นก็อาเจียนออกมาเป็นสีดาคล้า ทุกคนรู้ได้ทันทีว่าเจ้าพรานชาวตองสู่พ้นเงือ้อมมือมั จ, จุราชแล้วด้วยอำนาจสมุนไพรดูดพิษยางนองของขยินดารินก็รับหน้าที่แทนต่อจากขยินโดยการให้ยากันติดเชื้อบาทยักและยาบำรุงหัวใจและสั่งให้นอนพักปลอดภัยแล้วคะ่ะยาของขยินศักดิ์สิทธิ์จริงๆหล่นหันไปกระซิบบอกพี่ชายภายหลังตรวจอาการโดยละเอียดอีกครั้ง เชื้อฐานและชัยันโล่งอกขึ้นเล็กน้อยสางปานั้นเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เลอะเลือนอะไรทั้งสิ้นมันจําเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้โดยตลอดก่อนที่จะหมดสติไปเจ้าหน้าทุกคนที่แวดล้อมอยู่ด้วย ด, ว, ยดวงตาอันแห้งผากปราศจากความรู้สึกแล้วก็ซักถามขยินแหบๆถึงเจ้านายของตนพอทราบว่ า, านายคราเหลืองถูกฝังใชแล้วและนายแม่มยังอยู่ในระหว่างการสูญหายไป โดยไม่ได้ข่าวเป็นตายเจ้าตองสูก็นอนลืมตาพรุง่งนิ่งอยู่เช่นนั้นมันเป็นไปตามลักษณะของชาวเขาทั่วไปซึ่งความสะเทือนอารมณ์ใดๆก็ตามยากนักที่จะส่อออกมาให้เห็นโดยอาการหรือสีหน้าสิ่งที่ทุกคนเห็นก็เพียงแต่ว่าสางปาจะพยายามจะลุกขึ้นแต่ดารินห้ามไวยอย่างเด็ดขาด เจ้าจะต้องนอนพักนิ่งๆอยู่เช่นนี้จนกว่าจะพรุ่งนี้นายแหม่มของเจ้าน่ะเป็นภาระของเราเจ้าจะเดือดร้อนกังวลไปเลยนักมนุษยวิทยาสาวพูดกับพรานชาวตองสู่โดยมีเสยเป็นล่ามสั่งปานิ่งซึมในตาแห้งผากท่านใหญ่เดินกลับเข้ามารวมกลุ่มกับคณะนายจ้างที่ยังปรึกษาหารือกันอยู่เมื่อเวลาพลุฟลีความมืดเริ่มแผงเงาเข้ามาปกคลุมแนวป่า มีพวกพรานพื้นเมืองทุกคนรวมทั้งแง่ทรายเดินตามหลังเข้ามาด้วยเป็นกลุ่มเขาเข้าไปตรวจดูอาการและผูกระส่างปลาอยู่สองสามคำแล้วสุดตัวลงนั่งตรงหน้าเชิดผากระชัยันพวกพรานทั้งหมดก็ตีวงนั่งล้อมเข้ามาคณะนายจ้างทั้งสามสงสายตาจับนิ่งมาอยู่ก่อนแล้วแทนคำถามโดยไม่ได้ปริปากคำใดขึ้นก่อนทังสิผมหารือกับบุญคาและพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับ พรานใหญ่เริ่มขึ้นเบาๆแนงหน้าขึ้นไปมองดูท้องฟ้าที่เริ่มดำมืดลงทุกขณะคือพวกเราจำนวนหนึ่งจะออกติดตามมาเรียตอนพระจันทร์ขึ้นคืนนี้อีกส่วนหนึ่งที่เหลือจะยึดที่มั่นในแคมนี้ไว้เชิดาฐานโดยเร็วด้วยความรู้สึกที่สงสัยและไม่เห็นด้วยก็ได้รับคำตอบรับพร้อมกับพยักหน้าอย่างสงบจางกระพินสาหรับพวกผมนนมองไม่เห็นทางเลย มันจะเป็นไปได้ยังไงช ย, ยันกล่าวแซดมาทันทีขมวดคิ้วจ้องหน้าเขากลางคืนน่ะมันเต็มไปได้วยอุปสรรคสารพัดอย่างขนาดกลางวันนะป่าแถบนี้ก็แสนที่จะลึกล้ำละกลางคืนมันยิ่งกว่านั้นอีกสิบเท่าจะงมกันไปยังไงทุกคนเห็นรอยยิ้มกล้านๆผุดขึ้นที่ริมฝีปากอันเขียวคลึมไปด้วยเขานั้นแววตาก้าวแข็งสีเหล็กที่มักจะกระด้างชาเย็นอยู่ตลอดเวลา ปรากฏประกายวาวโรดขึ้นราวกตาเสือตรงกันข้ามครับกลางวันนะ่ะทุกอิริยาบถการเคลื่อนไหวของเราจะตกอยู่ในสายตารู้เห็นของมันทุกขณะแต่กลางคืนในความมืดจะเป็นเครื่องอำพรางตาและเป็นโอกาสอันดีที่สุดที่จะแกะรอยของเจ้าพวกนี้มันจะไม่เฉลียวใจคิดหรอกว่าเราจะออกตามในเวลากลางคืนเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตามรอยครั้งนี้เนะี่ยผมได้กำหนดตัวไว้แล้วเราจะไปกันเพียงสี่คนเท่านั้นทุกคนเดินในเวลากลางคืนได้เท่าๆกับกลางวันมีใครบ้างก็มีบุญคําขยินแง่ า, ายแล้วก็ผมฝ่ายนายจ้างมองตากันสำหรับสามบุคคลที่รราพินเอ่ยนา ม, มาแน่ละย่อมไม่มีข้อกังขาคลางแคลงใดๆเลยในสมรรถภาพ และคุณสมบัติอันเป็นพิเศษของคนเหล่านั้นบุญคำผู้เต็มไปได้วยอำนาจลึกลับทางสยศาสตร์มนมืดคขยินผู้เลื้อยได้อย่างงูและมองเห็นในที่มืดได้เท่ากับนกเขาแมวและแง่ทรายผู้ยิ่งยงไว้วางใจได้ในทุกสถานการณ์สำหรับอาณาจักรไทยทั้งสามสมิงร้ายภายใต้การนำของจอมพรานระพินรวมเป็นสี่คนคณะของคนชุดนี้ก็ย่อมจัดได้ว่า เป็นได้วยสมรรถภาพที่สุดแล้วสำหรับการเป็นกุญแจไขประตูปะแต่กระนั้นแผนการที่รับทราบมันก็เป็นความหวันกังวลของคณะนายจ้างอยู่ดีคุณแน่ใจเหรอหวัวหน้าคณะอย่างผมยอมรับครับว่ามันเสี่ยงแต่ไม่มีทางเลือกถ้าเรายังตั้งเจตนาไว้ว่าจะติดตามมาเรียกก่อนที่จะสายเน้หารือกันเป็นที่เรียบร้อยดีแล้วเหรอ เรียบร้อยครับแปล ว, ว่านอกเหนือจากพวกคุณสี่คนที่กำหนดไว้แล้วนี่นอกนั้นคอยอยู่เฉยๆในแคมป์นี้ใช่ไหมในแคมป์นี่จะเหลืออยู่เจ็ดคนรวมทั้งสา่งปาคอยตั้งรับให้ดีก็แล้วกันนะครับสมมติว่ามันเกิดบุกซ้ำเข้ามาอีกเวลาใดเวลาหนึ่งอ๋อทางนี้นะไม่มีอะไรจะต้องหวงหรอกปราการของเราน่ยมั่นคงมากพวกมันไม่มีทางจะฝ่าแนวระเบิดที่ฝังเข้าไว้มาได้หรอก พวกคุณที่ไปกันสี่คนตาหากละที่เป็นความวิตกกังวลของพวกเราในขณะนี้มันจะไหวหรือผู้กองชัยยันร้องถามมาแผ่วเบาพร้อมกระรีตาขมวดคิ้วหรือว่าเราจะปล่อยมาเรียให้เป็นไปตามยถากรรมคำพูดสั้นๆของเขาทำให้ทุกคนอึ้งไปชั่วขณะเชิท้าล่วงสมุดปฏิทินเล็กๆในไดอารี่ขึ้นมาพลิกดู คืนนี้แรมหกค่าพระจันทร์จะขึ้นในราวห้าทุ่มส็บเจ็จบุญคําก็กะไว้แล้วล่ะครับใกล้เคลียงกับปฏิทินของคุณชายนั่นแหละเราจะออกเดินทางในเวลานั้นล่ะครับมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าที่จะรอให้พระจันทร์ขึ้นดารินถามมาเป็นประโยคแรกนั่งกัดเล็บใบหน้าเศร้าหมองซีดคล้ำเต็มไปได้วยทุกข์กังวลซึ่งแสดงออกให้เห็นได้ชัดโดยสีหน้าและแววตา ผิดไปจากกลุ่มชายใจเพชรทั้งหลายเหตุผลในข้อนี้ของผมน่ะไม่มีหรอกแต่ของบุญคาน่ะมีบางขณะผมก็ต้องเชื่อบุญคําเหมือนกันเหตุผลอะไรคราวนี้ทั้งสามเสียงฝ่ายนายจ้างซักมาเป็นเสียงเดียวพร้อมกันพรนใหญ่ถอนใจเบาๆเม้มริมฝีปากมันก็อธิบายยากครับบุญคาน่ะมีเคล็ดในทางไสยศาสตร์ของแก แกบอกกับผมว่าพระจันทร์เริ่มขึ้นคืนนี้พูดผีปีศาจในราวป่าทั้งหลายจะมาเป็นพวกแกและช่วยนำทางให้ผมน่ะไม่ได้เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจหรอกแต่ผมเชื่อเฉพาะตัวบุญคันในด้านติดรอยกลางคืนซึ่งเห็นฝีมือกันมาแล้วเอาล่ะขอให้ผมพูดคำเดียวเท่านั้นแหละในที่สุดช ย, ยันก็โผลออกมาห้าวห้ า, หายิ้มเหี้ยมเกรียมแล้วมองไปทางเชฐิฐาดาริน กล่าวต่อมาอย่างรวมๆ ว, ว่าในแคมป์นี้เราจัดเตรียมป้องกันไว้พร้อมแล้วอย่างแข็งแรงมั่นคงเชษฐากับน้อยและอีกสามคนอยู่ที่นี่ส่วนผมไปกับคุณด้วยทุกคนโปรยจากคัดค้านที่ประชุมย่อยๆนั้นตกอยู่ในความเงียบสงัดชั่วขนาดหนึ่งเดี๋ยวเชษฐาก็ขยับตัวเอื้อมมือไปตบบนบ่าสหายรักหนักหน่วง พวกเราทั้งหมดไม่มีใครคิดที่จะมาแย่งกันเสี่ยงอันตรายหรือแสดงวีรกรรมเพื่อเอาเหรียญรางอะไรกันหรอกชยันตลอดเวลาที่เราทุกคนได้ร่วมทางกันมานี่เราต่างทราบซึ้งในน้ำจิตน้ำใจของกันและกันดีแล้วแล้วก็ได้เคยจัดสรรหน้าที่ ก, กันไปแล้วตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแกเป็นนักสู้ที่เลือดเข้มข้นขนาดไหนทุกคนรู้แต่แกผ่านมาหลายศึกแล้ว ในขณะที่ฉันนอนเฝ้าโยงอยู่กับแคมป์เพราะอุปัตวะเหตุครั้งนั้นในคราวนี้ถ้าจะมีพวกเราสักคนหนึ่งไปกระพินด้วยขอให้เป็นฉันเถิแกคุมอยู่ที่นี่กันน้อยและกับพวกที่เหลือแกว่าถูกต้องไหมเพื่อนตายทั้งคู่ศตากันแน่แน่อย่างยั่งซึง้งและเข้าใจซึ่งกันและกันมาแต่ไหนแต่ไรครั้นแล้วโดยไม่จำเป็นจะต้องกล่าวโต้แย้งอะไรกันมาก ชา ย, ยันผู้พูดง่ายในทุกสถานการณ์ก็ก้มหัวลงตกลงแกไปกับพวกระพินฉันอยู่กันน้อยเองพ่านใหญ่ขยับปากแต่แล้วก็สงบนิ่งไปเมื่อรู้สึกแน่ว่าเปล่าประโยชน์ในการที่จะคัดค้านความต้องการของฝ่ายนายจ้กงเขาปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นการตัดสินใจเอาเองสิ่งที่พรานนำทางเช่นเขานึกนิยมมาตลอดสาหรับบุคคลทั้งสานี้ก็คือ การทำความเข้าใจกันได้อย่างไงไ่ายดายการทำต่อเหตุการณ์ในทุกกรณีกอบไปด้วยความรักใคร่กรุงเกลียวและเสียสละแม้แต่ดารินเองในขณะนี้เขาคิดไว้ว่าหล่อนคงจะแสดงความเห็นคัดง้างอะไรออกมาบ้างแต่ก็เปล่าทั้งสิ้นหญิงสาวนิ่งฟังการตัดสินใจและข้อตกลงระหว่างสองชายซึ่งคนหนึ่งเป็นพี่และคนหนึ่งเป็นเพื่อนอย่างสงบ รวมทั้งรูหน้าที่ของตนเองได้ดีโดยการวางตัวอยู่ในลักษณะผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของฝ่ายอาวุโสกว่ายามเมื่อวิกฤตการณ์มาถึงเชิย่ยาแลไปศบตาเขาการติดตามมาเรียนะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของคุณตามลพาพังเท่านั้นนะแต่เป็นของฝ่ายผมด้วยอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งและในกรณีนี้ทางผมได้ตกลงกันแล้ว ให้ชายันอยู่กันน้อยผมไปแทนคุณคิดว่าการที่ผมจะร่วมไปด้วยอีกคนจะเป็นอุปสรรคไหมตามความรู้สึกของระพินถ้าจะมีการเลือกได้ในระหว่างเชิฐากับชายันสำหรับเหตุการณ์เสี่ยงอันตรายรับขันขีดสุดแบบนี้แน่ละเขาต้องเลือกเชธธิฐาซึ่งเหนือกว่าชายันในด้านความรอบคอบและแผนการตลอดจนชันเฉิ ผมยินดีที่จะมีคุณชายร่วมด้วยครับท่านั่นเป็นความประสงค์ของคุณชายเองนั่นเป็นคําตอบอย่างจริงใจและง่ายๆเช่นเดียวกันอะคราวนี้เราก็แบ่งพวกแยกหน้าที่กันทำได้ฝ่ายละห้าคนเท่าๆกันเชื่อถาว่าหันไปทางน้องสาวอย่างไม่วายกังวลน้อยถ้าเข้าใจในแผนของพวกเราทั้งหมดแล้วไม่ใช่หรอเข้าใจคะ่ะน้อยกระชา ย, ยานัน และอีกสามคนเฝ้ารออยู่ที่นี่ในขณะที่หัวกระเด็นทั้งหมดแยกไปไม่ต้องห่วงทางนี้หรอกค่ะประโยคหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหูของรพินไพรวันฟังไม่ถนัดว่านักมนุษยวิทยาสาวพูดออกมาจากจริงใจหรือเป็นความหมายติงตัดเพอเขามองไปทางหล่อนด้วยความรู้สึกกังวลแล้วก็พบตาคู่นั้นพอดีถ้าจะพูดถึงมือพรานละก็ ยังเหลือมือชั้นเยี่ยมอยู่ที่นี่อีกคนหนึ่งคือจันเกิดแล้วก็เสยสําหรับเกิดกับเสยถึงจะเด็กไปหน่อยก็วางใจได้เสมอแต่ในกรณีนี้บุคคลที่ผมไว้วางใจที่สุดคือคุณชายยันเพราะหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่ออกเดินทางหากแต่คอยระวังรักษาที่มั่นจากการจิวโจมคุณชายยันเป็นนายทหารจะต้องรู้หลักยุทธศาสตร์และแผนตั้งรับอย่างดีที่สุด เอาเถอนาไม่มีอะไรจะต้องวิตกวิจาร์ทางด้านแคมนี่หรอกใช้ยันสอดโพ่งออกมารับรองว่าจะรักษา่ขายอลามโมนี่ไว้อย่างดีที่สุดตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยการจัดเตรียมตัวก็กระทำกันขึ้นในทันทีนั้นสำหรับฝ่ายห้าคนที่จะแยกเชฐาเรียกลูกซองบรรจุห้านัดที่ให้เป็นปืนประจำมือของจันมาโดยทิ้งจุดสี่ห้าแปด ไว้ให้ขัดลูกปรายชนิดเ g และโ o, o b อบั克ลวนบรรจุลงซองกระสุนสายเข็มขัดและสำรองอีกสามกล่องใส่ลงไปในย่ามหลังส่วนรพินก็โยนไรเฟิลขนาดหนักประจำตัวไปแลกกับจุด 30-06 ู C z แซบของเขาเองซึ่งมอบให้เกิดใช้ประจำอยู่เชษฐาก็สั่งให้แงซทรายปลดจุด3 7จดคู่มือแลกชั่วคราวกา มัลลิเคอร์ที่เคยใชย้การทำสืบกระสังเขียวซึ่งแท้ที่จริงก็คือมนุษย์ป่าเถือนหลงสํารวจเผ่าหนึ่งนั้นอาวุธหนักสําหรับใช้ในวัตถุประสงค์ปราบสัตว์ใหญ่หนังเหนียวย่อมเกินความจําเป็นเพราะนอกจากหนักแรงแล้วอํนนานาจสะท้อนถอยหลังอย่างสูงของมันย่อมเป็นอุปสรรคในการที่จะยิงซ้ําได้อย่างรวดเร็วทันการทําให้ย่อนความคล่องแคล่วฉับไวลกในภาวะเช่นนี้แหละ ที่ทุกคนนึกถึงคุณประโยชน์ของปืนลูกซองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักที่หลายกระบอกจำเป็นต้องทิ้งไว้ที่หล่มช้างไม่สามารถนำติดตัวมาได้ทั้งคณะคงมีปืนลูกซองอยู่เพียงสองกระบอกเท่านั้นคือบรา n i ิงกึ่งอัตโนมัติที่จันประจมือและเร i ิงต o n แบบปัมแอคชั่นซึ่งขยินได้รับมอบจากหัวหน้าคณะถ้าจะมีอยู่อีกระบอกหนึ่งก็คือซาว เก่าคล่ำคร่าของสังปาเจ้าพรานชาวตองสู่ซึ่งมันไม่อำนวยประโยชน์อะไรให้ได้มากนักในวัตถุประสงค์ด้านต่อสู้ยกเว้นหาอาหารเพราะมันเป็นปืนเดียวที่บรรจุทีละนัดเท่านั้นบุญคำคว้าขึ้นมาในครั้งแรกแต่แล้วก็ส่อนหัวสมัครใจจะใช้จุด375จหที่เคยประจำตัวตามเดิมเพราะไม่รู้จะเปลี่ยนกับขนาดที่เล็กกว่านี้กับใครอีก นอกจากจุด300เวเธอร์บีแม็กนัมติดศูนย์กล้องของดารินซึ่งแกก็ไม่ถนัดและทั้งหก็นอนพักเอาแรงทันทีเพื่อรอเวลาออกเดินทางเมื่อเดือนขึ้นโดยมอบหน้าที่เวยนยามแก่ไฟที่จะอยู่เฝ้าแคมชายันกระดารินปราสาทแข็งค้างซะละสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองไม่มีความรู้สึกง่วงเลยจนนิดเดียวนั่งสุบุรีปรึกษากันเบาๆอยู่ริมกองไฟมีเกิด จันและเสยล้อมวงร่วมอยู่ด้วย